คือในส่วนที่คุณมลพูดมาถึงเรื่องของสมถะวิปั ส, สนาตรงนี้น่าสนใจคือส่วนใหญ่จะแยกตรงนี้ไม่ออกไม่ว่านักปฏิบัติเป็นพระก็ตามเป็นโยมก็ตามเขตขอบเขต ข, ข, ข, ของสมถะเนี่ยมันถึงไหนขอบเขตวิปัสนามันเริ่มต้นอย่างไรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงี้แยกไม่ออกย้อนลึกถึงว่าตอนไปปฏิบัติกเนกาครั้งแรกบริหารจัดการเขาเนี่ยเขาต้องทํารูปแบบแบบนั้นสําหรับคนตะวันตกนะ แต่ถ้านาคนเอเชียของเราเนี่ยไปทําแบบนั้นได้มันจะเครียดมันจะเครียดเพราะว่าเราไม่คุ้นกับระเบียบทพินัยที่จัดเกินไปมันเป็นลักษณะของสมถะแต่สายโกรเอนก้าเขาคิดว่าเขาเป็นวิปัสสนานะแต่มขาเป็นสมถ90นะ 90% อร์เซนตเพราะอะไรเขายังใช้ระเบียบที่จัดการระเบียบจัดเนี่ยจะทําให้คนกดเกิดการกดดันเมื่อเกิดกดกา ร, กการดในจิตไม่เป็นธรรมชาติจิตไม่เป็นธรมมนธรมชาติจิตจะไม่สบาย พอจิตจะไม่สบายก็มันไม่เอื้อให้เกิดปัญญาดังนะนั้นเราก็จะปล่อยให้แต่ละคนโดยเฉพาะให้แต่ละคนเห็นคุณเห็นโทษในสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นด้วยตัวเองนะแต่สําหรับคนที่ไม่เห็นคุณเห็นโทษได้ด้วยตัวเองก็ต้องปล่อยให้เขาพัฒนาด้วยตัวเขาเองก่อนถ้าเราไปเรียกว่าไปแทรกแซงอะไรเขาเยอะเกินไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ของเขาแล้วมันเกิดจากคําสั่งของเรา แต่ถ้าเข้าได้ทําไปได้เห็นตัวเองได้เห็นคุณเห็นโทษสิ่งนั้นด้วยตัวเองตรงเนี้มันจะเกิดด้วยปัญญาของเขาเองแล้วการประเดี๋ยวปัญญาก้าวหน้าเองถึงมันจะช้าหน่อยช่างมันเพราะนั้นทำไมเราจึงไม่มีกฎระเบียบอะไรมากเพราะมันเป็นวิปัสนาไม่ใช่สมถะสมถะต้องมีกฎระเบียบมากเพื่อที่จะต้องการผลเฉพาะหน้าที่ไวให้จิตมันรวมเร็วแต่วิปัสนาไม่ใช่วิปัสนาต้องการเน้นให้เกิดปัญญาด้วยตัวเองไม่ใช่ปัญญาจากครูบาอาจารย์ นะอันนี้นี่ต้องแยกให้ออกนะแต่การฟังก็เช่นเดียวกันผู้ที่เป็นสมถานอันไหนที่ไม่เน้นไปเพื่อความสงบความสุขโดยเฉพาะหน้าเขาก็จะไม่ชอบแต่ผู้วิปสัสนานต้องการเน้นทางการศึกษามากกว่าที่จะเอาผลเพราะว่าสิ่งนั้นถ้าเกิดด้วยปัญญาของเขาเอง เ, เราสามารถทำความสงบความสุขเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ปัญญาของเราเองเนี่ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์หรือสิ่กระตุ้นจากอื่นภายนอกเราถึงจะมีความสงบสุขได้แล้วแล้วครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่เราตลอดเวลาใช่ไหมแต่สิ่งที่อยู่เราตลอดเวลาคือปัญญาที่จะบอกเออทำอย่างงี้จะเป็นเหตุให้จิตไม่สงบนะทํา ง, งี้ทําให้จิตปรุงแต่งนะทำให้ให้จิตเยือกเย็นนะเราจะรู้เหตุของมันแล้วจะทําด้วยตัวเองตรงนี้คือวิปัสสนาวิปัสสนาต้องการ อาจัดการสิ่งที่เราต้องการด้วยตัวเองแต่สมร tha ต้องการจัดการสิ่งต้องการจากคนอื่นจากครูอาจารย์จากสิ่งแวดล้อมหรือความเชื่อต่างๆเราสะกดตัวเองให้ทำํำนั้นช่วงแรกจะเห็นว่ามูลไปฝึกทางด้านกล้ามมาก็มาทํากับการงานได้แต่ทําด้วยความเก็บกดและเครียดยมถึงได้ป่วยมูลถึงมีป่วยใช่ไหมแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปยมจะรู้จักมูลจะรู้จักวิธีบริหารจัดการตัวเองอาการป่วยต่างๆจะลดลง แล้วเห็นที่ความก้าวหน้าเวลามาทํางานที่ว่ออารู้จักตัวเองเ อ, อปัญญามันเพิ่มขึ้นออความฉับไวความแหลมคมความอะไรต่างๆตลอดถึงครูบาอาจารย์เห็นความบุคลิกเห็นความก้าวหน้าของของมนแล้วก็ติดต่อที่เข้าไปสอนนักศึกษาไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะเรื่องธรรมดาตรงนี้โอกาสนะโอกาสที่เราจะขยายตัวตรงนั้นได้เพราะปัจจุบันเนี่ยสหรณ์อเมริกาคนกําลังต้องการตรงนี้มากแต่เขาหาคนสอนได้ยาก คือคนทั้งพูดเป็นแล้วก็ปฏิบัติได้เนี่ยมันยากส่วนใหญ่พูดเป็นแต่ว่าไม่ทำไม่เป็นหรือบางคนทําเป็นแต่พูดไม่เป็นแต่ทั้งทําเป็นได้พูดเป็นเนี่ยตรงเนี้ยเราหาได้ยากเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทําต่อไปถ้าให้ถูกต้องอ่ะต่อไปขอฟังคุณพันธุ์บ้าง